พระธรรมเทศนาลำดับที่ยี่สิบโดยหลวงพ่ออินถายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่าความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราเป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนแปดวันพระหน้า เป็นวันแปดเดือนแปดเพนเป็นวันอสซราหะบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจับกับปวัตนสูตรพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลกเป็นวันที่พระสงฆ์อุบัติขึ้น <c oughs> แต่ก่อนมีแต่พระพุทธเจ้ากับพระธรรม แต่วันอาสาฬหาบูชาเนี่ยเป็นวันที่พระสงฆ์ที่เป็นสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าไ ด, ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมเทศนารำมาจากกัปปวัฒนสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงที่ป่าอิสิสปัตนะมิกทาจวันพระอัญญาโกนทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดและมีการดับเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดและมีการดับมีการเกิดแล้วมีการตายอันนี้คือเป็นธรรมดาของโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาพาอัญญาโกนระยะได้ฟังทมคําสอนแล้วก็ท่านก็ได้สาเร็จเป็น ได้สำเร็จพระสูดาบันในคำตรัสคำนี้วันอซารหาบูชาวันนั้นเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งจากนี้ไปอีกเจ็ดวันแล้วก็พวกเราท่านทั้งหลายที่จะเข้าพรรษาปีนี้ที่จะถึงนี้ มีทั้งพระใหม่มีทั้งพระเก่ามีทั้งนาครวมกันแล้วก็จะเข้าไปทั้งสี่ห้าสิบนาคสี่ห้าสบพระใหม่พระเก่าพระเดวัดนในพรรษาที่จะถึงนี้ เพราะนั้นก่อนที่จะมีการบวชหรือการอุปสมบทวันที่สิบวันนี้เป็นวันที่แดวันอาทิตย์ที่ส0บจะมีการบวชพระอุปสมบทพระในพรรษาขอให้พวกพระพระผีเลี้ยงวยช่วยกันดูอันดับอันดับแรกก็คือบริขาร อย่าให้ขาดตกบกพร่องในบริขารให้ตรวจทุกชิ้นอังสะเป็นยังไงผู้ที่มีฝีมือในการเย็บก็ให้ใส่ใจในการดูแลอัฐบริขารของพระอย่าให้ขาดตกบกพร่องบริขารของท่านของเราให้ถือเสมือนเป็นอันเดียวกันเราต้องการ บริขารอย่างไรที่ถูกใจเราเราก็ควรจะทำบริขารให้แก่พระใหม่ผู้ที่จะมาบวชที่เป็นทายาทของเราให้ทำดีเสมอกันกับของเราอย่าไปทำแบบทิ้งทิ้งคว้างๆอย่าไปทำแบบไม่รับผิดชอบอันนั้นไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่แนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินมาให้ท่านท่านถือเสมือนว่าผู้ที่เขามาบวชใหม่ก็คือทายาทของเราเราต้องทำให้ดีที่สุดดีกว่าของเราที่ด้วยซ้าไปอัถรรบริขารเพราะนั้นให้พวกพระใหม่ทั้งหลายให้ใส่ใจไม่ใช่ว่าพอเพอาพ้าอังสามา ก, ก็หลุดปลดหลุดปัด ไม่มีกระทั่งลังดุมไม่ควรจะมีในวัดของเราบริขารทุกชิ้นต้องตรวจเช็คไม่ใช่ให้องไรองหนึ่งเช็คพระผู้ใหญ่ต้องเช็ค ด, ดูต้องตรวจ ด, ดูตรวจตราดูให้ถูกต้องดูสายบาทสั้นยาว ให้เรียบร้อยลังรุมสังคาติจีวรดูให้เรียบร้อยให้ถือเสมือนว่าเป็นของเราพอหมอกมบอไปแล้วก็ให้ใช้ได้แต่ละไซส์ต้องวัดดูให้เรียบร้อยองค์ใหญ่องค์เล็ก ให้ถูกให้ได้ขนาดองค์ที่จะใช้ ถ, ถ้าหาไม่ได้อย่าไปออกตัวว่าผมหาไม่ได้บอกมาเราพร้อมที่จะหาได้พร้อมที่จะส่แสวงหาได้เว้นเสียแต่มันไม่มากเท่าไหร่จะให้เปี๊ยทุกข์กระเบียดนิ้วก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้น สั้นนิดหน่อยยาวนิดหน่อยแต่อย่าให้มันมากคำว่ามากคํานี้พวกท่านทั้งหลายเคยบวชมาแล้วมีอายุฟันศารด้วยกันมากหรือน้อยพวกท่านทั้งหลายก็ใส่ตัวเองคำว่ามากนั่นคืออะไรการคลองผ้ามันลุ่ม่าบเป็นยังไงมันมากขนาดขนาดไหนจึงว่ารุ่มลราบคำว่ามันตื่นเขนินมันสั้นเกินไปนั่นคืออะไรคือมันสั้น พวกท่านทั้งหลายผู้เป็นพระที่เป็นพระที่มีอายุพรรษารู้ว่าอันไหนควรไม่ควรอย่างไรเพราะนั้นขอให้พวกท่านทั้งหลายใส่ใจในอธรปริขารของพระใหม่อย่าไปทมแต่สักว่าทมขาดความรับผิดชอบไม่ควรจะมีเพราะว่า ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านว่าผู้ขนขวายช่วยบริขารของผู้ที่จะบวชหาบริขารให้ผู้ที่จะบวชเป็นมีอานิสงส์เป็นบุญเป็นกุศลติดพบติดชาติต่าว่าพวกท่านทั้งหลายยังภาวนายัางไม่พ้นทุกข์ในชาตินี้ต่อไปภายภาคหน้า ถ้าได้บวชในพระพุทธศาสนาก็ได้จะได้ไดบวชกับพระพุทธเจ้าท่านก็นได้เรียกเอหิภิคุอ e u, u at ุปสมประทานท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดรำเร า, เราทมเรากล่าวดีแล้วทมเราแนะนำสั่งสอนดีแล้วให้ท่านเข้ามาปฏิบัติธรรมเพียงแค่นี้ก็เป็นพระบริขารลอยมาในอากาศ พเหตุไรเพราะเราเป็นผู้ใส่ใจเป็นผู้ขนขวายในอัธบริขารของพระอเ น, นสงบริขานจะลอยมาพวกท่านทั้งหลายไปอยู่นสถานที่ใดเรื่องอัถบริขารจากคำว่าอดอยากหรือไม่มีบริขารใช้จะไม่มีเพอเหตุไรอเ น, นสงที่ท่านพวกท่านขนขวายในการ หาบริการให้แก่หมูพวกเพื่อนแก่ครูบาอาจารย์แก่พระสงฆ์ที่ขาดตกบกพ่องในบริการให้ดูกันองไหนที่ขาดตกบกพ่องบางองค์ก็ขี้อายไม่รู้จะเอาอย่างไรพวกเราควรจะหาให้หยิบยื่นให้อันนี้แหละคือการอยู่ด้วยกันการดูแลกันอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเป็นหน้าที่ของพระเก่าจ่จงช่วยดู ผู้ที่จะอุปสมบทผู้ที่จะอุปสมบทก็พยายามตาดูหูฟังใจคิดพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ท่านทำอย่างไรท่านปฏิบัติตนอย่างไรท่านอ่อนน้อมผอมตนอย่างไรอเนตตาพวกเราเข้ามาศึกษาไม่ใช่ว่าจะให้หลวงพ่อพูดทุกวีทุกวนันนั้นคือการแนะนำสั่งสอนไม่ใช่ นั้นก็คือส่วนหนึ่งการแนะนําสั่งสอนนั่นก็คือส่วนหนึ่ ง, แ, ง, นนงแต่พวกท่านทั้งหลายที่เขามาบวชตาให้ดูหูให้ฟังใจให้สํานึกสำเนียกใจให้คิดว่าการเป็นอยู่ของพระสงฆ์นี้ท่านทําอย่างไรอากับกิริยาของท่านเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือพวกท่านพวกเราเข้ามาบวชต้องให้ดู ส่วนพระมีอายุพรรษาที่เป็นพระพี่เลี้ยงหรือเป็นพระที่มีอายุพรรษาการที่จะทำอะไรการที่จะพูดอะไรการจะแสดงอากับกิริยาอย่างไรพวกท่านก็ต้องระมัดระวังในการกระทาให้มันถูกตามหลักพระธรรมวินยัยไม่ใช่หลวมปากก็พูดออกไปอากับกิริยาไหนที่เออมันไม่ถูกต้องก็จะแดงออกไป ผลได้สุดพระใหม่เห็นว่าพระเก่าทำได้เหมือนกับม้าขาเป๋ยอย่างม้าขาเป๋ยตัวเองก็เดินตามม้าตามเจ้าของไปเพราะเจ้าของพาขาเป๋ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นการครบค้าสมาคมเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งเราควรจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษา มีแต่หลวงพ่อมิเตบอกว่าให้พระใหม่ดูพระพระเก่าแต่พระเก่าทำตัวไม่น่าเคารพนับถือดูแล้วก็เห็นเห็นแล้วก็จะใช้อากัปกริยาเหมือนยิ่งกว่าคารวะไปอีกจะให้ผมเคารพนับถือได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้พระเก่าก็ต้องได้คิดเหมือนกันตรงพ่อไม่ได้พร้อมไม่ได้ ส่งเสริมพระใหม่พระเก่าถ้าองค์ไหนทําผิดก็คือผิดด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าพระเก่าไม่ว่าพระใหม่ไม่ว่าหลวงพ่อหลวงพ่อทําผิดคือคือหลวงพ่อทําผิดทําจุดนั้นไม่ถูกไม่ว่าพระองค์ไหนทําเพราะฉะนั้นเสียงเหล่านี้ขอให้พวกเราอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยถึงจะทํำยังไงก็ให้ดูหลักพระธรรมวินัยเป็นหลัก ก่อากับกิริยาการเคลื่อนไหวของพวกเราให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยสรุปแล้วถ้าหาว่าอยู่ในหลักพระธรรมวินัยแล้วสวยงามพูดอย่างนั้นได้เพราะว่าหลักพระธรรมวินัยเป็นพระธรรมที่ว่าสวาขาตธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้ว สวัสสวาค า, าตธรรมทำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วพิสูจน์มาแล้วอ่นกลองมาแล้วปฏิบัติมาแล้วไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยถ้าว่าพวกเราปฏิบัติตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นแปลว่าปฏิบัติตามสว่าขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้บอกได้วางเอาไว้ เป็นที่ยอมรับมาโดยตลอดเพราะนั้นขอให้พวกเราที่เป็นนาคก็ให้ตั้งอยู่ในความขยันอ่อนน้อมถ่อมตนจากนั้นก็ศึกษาในหลักธรรมคำสอนหรือศึกษาในหลักพระธรรมวินัย ตาดูหูฟังอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนี่แหละคือพระวินัยปินศีลศีลและวินัยอยู่ที่ตาและหูใจคิดพวกเราทําถูกต้องแล้วร่มเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันหลายหายองค์อย่าไปยุ่ไปแย่กันเล่นอย่าไปล้อเล่นกัน เอถึงจะไม่โกรธก็เถอะไม่ควรจะล้อเล่นกันการที่ล้อเล่นกันเป็นสาเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทกันได้ง่ายเพราะเหตุไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการล้อเล่นนั้นบางทีอารมณ์ที่เราล้อเล่นแต่ก่อนพูดกันได้ยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกสนาน แต่อารมณ์มันบูดขึ้นมาไม่มีใครที่จะรู้ได้ว่าช่วงไหนอารมณ์บูดอารมณ์โกรธให้แกใครแต่เราไปพูดไปแย่กันเล่นก็ททำให้ทะเลาะวิวาทบาดหมางกันได้ง่ายแต่แยกในหมู่ในเพื่อนในมิตรในสหายได้ง่ายสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราสำรวมระวังอย่าไปพูดจะไปแย่กันให้เคารพซึ่งกันและกัน พูดตามความเป็นจริงพูดแต่น้อยเพราะเราเข้ามาศึกษาเราเข้ามาบวชมาเพื่อวังบุญวังกุศลเราไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นมาคราวนี้ทางโลกเราก็เคยศึกษาทำการทำงานหาเงินเลี้ยงชีพแต่มาคราวนี้มามาอยู่อีกมิติหนึ่งมาอยู่ใน ระบบหนึ่งระบบของพระในกฎเกณฑ์ของพระกฎระเบียบของพระพระพุทธศาสนาอยู่ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในโอวาทพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เพราะนั้นพวกเราเข้ามาสู่จุดนี้เราจะไปถือวิสสาสะหรือว่าเราจะไปคุ้นเชื่อคุ้นเคยอันนั้นก็ไม่ผิดอันนั้นก็ไม่ถูกต้องอันนั้นทำได้ทั้งที่มันผิดหลักพระธรรมวินัยสิ่งเหล่านี้เราต้องดูให้ดีต้องศึกษาเพราะเราเข้ามาใหม่ถ้าครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเราก็ต้องฟัง เมื่อฟังเสร็จแล้วเราไม่ไม่หลวงพ่อเองก็ไม่ได้แนะนําว่าให้เชื่อทีเดียวพระเก่าท่านบอกยังไงเราจะเชื่ออย่างนั้นทีเดียวหลวงพ่อก็ไม่แนะนําอย่างนั้นอีกในเมื่อพระเก่าแนะนําเสร็จแล้วเราก็ถามท่านว่านี่มาจากวินัยเล่มไหนพระเก่าก็ต้องรู้จักว่าที่พูดให้ฟังนี้คือกฎระเบียบ วินัยเล่มนั้นเล่มนี้ฮะก็ต้องรู้วิธีที่ไปที่มาหรือว่าไม่รู้แต่ว่าครูบาอาจารย์พาปฏิบัติอย่างนี้ให้ไปถามท่านผู้รู้ต่อไปอันนี้เราก็ต้องบอกอย่างนั้นจากนั้นพระกระพระใหม่ถ้าอยากจะรู้ต้นต่อความเป็นมาวินัยข้อนี้มาตราที่เท่านี้ถ้าเป็นกฎหมายนะฮะมาตราที่เท่านี้ มันบทบัญญัติที่เท่านี้มันมาจากเล่มไหนจากวินัยข้อไหนพระพุทธเจ้าบัญญัติโดยเรื่องอะไรมันมีทั้งหมดพวกเราถ้าถ้าจะค้นคว้าศึกษาจากนั้นเราก็ไปค้นคว้าได้เราจะเห็นได้เลยว่าอืมทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติวินัยตัวนี้ขึ้นมาเพราะอันนี้เองเราก็จะได้รู้ต่อไปเราจะได้กว้างขวาง ในหลักพระธรรมวินัยนี่แหละการอยู่ด้วยกันต้องอยู่ด้วยกฎด้วยระเบียบถ้าว่าอยู่เราอยู่คนเดียวเราก็ไม่มีกฎมไม่มีระเบียบอยากทำยังไงก็ได้เพราะอยู่องค์เดียวถ้ามีสองคนขึ้นมาแล้วเราต้องมีกฎต้องการพูดกันจะพาทีต้องระมัดระวัง อยู่3มองค์ขึ้นไปสี่องค์ขึ้นไปมากองค์เท่าไหร่ก็ยิ่งระมัดระวังมากเพราะเหตุไรเพราะว่าหมู่พวกเพื่อนอยู่รอบด้านเราก็ต้องระมัดระวังในการเป็นอยู่ของเราอย่าให้กระทบกระเทือนผู้ใดใครผู้หนึ่งที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยแหละที่หลวงพ่อกล่าวมาทั้งหมดนั่คือหมวดศีลการอยู่ด้วยกันให้ระมัดระวัง จากนั้นก็เรื่องการบวชอุปสมบทพระพี่เลี้ยงก็ต้องดูการท่องขานนาคให้ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยให้อุ ก, ก, กอขระถ้าไม่ถ้าไม่ได้เราค็รบอกว่าไม่ได้พระนาคจะอยู่ด้วยกันผู้ที่ได้ ก็น่าจะติวเข้มช่วยๆกันไม่ใช่ว่าจะให้มอบให้แต่พระพี่เลี้ยงพระครูบาเป็นภูแนะนำวันละมื้ออย่างเดียวไม่เพียงพอพวกเราที่อยู่ด้วยกันที่เป็นนาคก็ต้องช่วยกันติวเข้มช่วยเหลือซึ่งกันและกันองค์ที่ยังไม่รู้ก็พยายามฟังหมู่พวกเพื่อนที่แนะนำสั่งสอนที่แนะนำบอกกล่าว ออกเสียงยังไงเนี่ยที่พระที่หมู่พกเพื่อนที่ออกเสียงจับกลุ่มออกเสียงสรุปแล้วก็คือให้ช่วยช่วยช่วยช่วยกันอย่าอาศัยแต่ครูบายอย่างเดียวไม่ได้จากนั้นก็มี mp3 เนี่ยที่อัดเป็นเสียงเอสาหัง ah ก็มีเราก็ออกเสียงตามเอสาหัง ah mp3 นั่นแ่ะถ้าได้อย่างนั้นดีมากจุดลงตรงไหนกำหนดยังไงเสียงขนาดไหนออกอักระอย่างไรออกตัวหนังสืออย่างไรตัวรอตัวล่อรอเรื อ, รอล่อเิ่งให้ออกให้ชัดเจนเนี่ยอันนี้ก็คือ ผู้ที่จะบวชไม่ใช่ว่าทําอะไรลวกๆสุกเอาเผากินไม่ได้นะถ้าบวชแล้วก็ไม่ภาคภูมิใจเพย์ได้เพราะเราไม่ได้ตั้งใจบวชเต็มร้อยมีแต่ครูบาอาจารย์อยากจะบวชอยากจะได้เรามาบวชเราก็ไม่อยากจะบวชอีกต่างหา ครูบาอาจารย์ขู่เข็นบังครับให้ทำก็เลยทำทำไปอย่างนั้นแหละพอบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ภาคภูมิใจในการบวชของตนเองเนี่ยมันมันยาวแล้วนะมันยืดยาวไปเพราะนั้นขอให้พวกเราเยเราเสียสละจริงๆข่าวนี้เราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจริงๆเราเสียสละ ในชีวิตของพ ว, พวกเราจริงๆเราเกิดมา20กว่าปี30ปีเราจะเสียสละไว้ในพระพุทธศาสนาใน 3-4 เดือนนอกนั้นเราเป็นชีวิตของคารวะแต่4เดือนเนี่ยเราจะให้เป็นชีวิตพระอย่างสมบูรณ์ที่สุดถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยที่สุด ถูกต้องตามโอวาทพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สุดในใจของเราเราต้องคิดอย่างนั้นในเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วเมื่อเราไปออกออกไปเป็นคราวาสเราก็ภาคภูมิใจอย่างมากเพราะเราได้ทำถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยแต่ถ้าว่าพวกเราทำไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยมีที่รับมีที่แจ้ง ต่อหน้าครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนทาอย่างหนึง่งพอรับหลังไปทํอย่างหนงไม่ครบในสิกขาพดทวินยัยพวกท่านทั้งหลายออกไปแล้วพวกท่านทั้งหลายจะมันจะเป็นแผลอยู่ในใจคิดขึ้นมาเมื่อไรใจของพวกท่านก็จะสะดุ้งอยู่ตลอดเพราะเหตุไรเพราะใจพวกท่านทำให้ตัวเองเป็นแผล ไม่ทำให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมพิไนตยตาหนิตัวเองได้จีงเหล่านี้หลวงพ่อเองบอกกล่าวทุกหลานทุกอง์ที่จะมาดำรงสงฆ์ศาสนาพอเข้ามาบวชและเสมอภาคกันกับพระภิกษุสงฆ์เพราะศาสนาพุทธศาสนาเป็นสากยบุตรพุทธชินโนรถเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเสมอกัน วันก่อนที่พวกเราเป็นคารวาทที่จะมาเสมอด้วยพระภิกษุสงฆ์ก็ควรจะศึกษาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวได้บอกแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้ก็คือผู้ที่จะเตรียมตัวในการบวชและการอุปสมบทไม่กี่วันข้างหน้านวันนี้เป็นวันที่แปดวันที่สิบก็เป็นวันอุปสมบทละ ส่วนีน้รายละเอียดนั้นขอให้พระพี่เลี้ยงแนะนำขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่เชา้าตั้งแต่พี่น้องเข้ามาแล้วก็นัดแมะพระที่จะโปงผมกี่องกี่องคองที่เคยโปงนะนะอย่าไปเอาองที่ไม่เคยโปงนะทำองไม่เคยปงเดี๋ยวอบมีดปเ๊บ ก, กับนาคเออมันไม่ดีนะวันนั้นเอาตรงผู้ที่เอาเคยปลงผมเออเตรียมพร้อมแล้วกับพระไม่ที่ยังไม่รู้จักพระวินยัยขณะที่บวชห้ามมาเพ่งพานในบริเวณอันนี้ก็พวกท่านทั้งหลายก็ควรจะบอกกันให้เข้าใจอันนี้คือหลักพระธรรมวินยัย ถ้าจะเข้ามาเขาเข้ามานั่งถ้าไม่เข้ามานั่งก็ให้ออกไปข้างนอกอย่ามาอยู่ในเขตพระราชทานพิสุขามสีมาในหลักศีมาให้อยู่นอกเขตพิสุขามสีมาถ้าอยู่ในเขตปศิมาเนี่ยธ่านมาศีมาวิบัติการบวชไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยเพราะเราบวชนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญมาก เราจะต้องให้ถูกตามหลักพระธรรมวินัยไม่ใช่ว่าฉุกเอาเผากินทําำโกลวดกระลาตำอารมณ์ของตนเองอยากจะทํายังไงก็ทําไม่ใช่อย่างนั้นเพราะหลักธรรมวินัยพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนานหลักกฎเกณฑ์ของพระธรรมวินัยเป็นของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของผู้ใดใครผู้หนึ่งเราจะไปทำเอาอย่างใจตัวเองไม่ได้เราต้องมองดูหลักพระธรรมวินัยท่านบัญญัติไว้อย่างไร เราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นเนี่ยพระเก่าทุกองนะให้ยึดหลักพระธรรมวินัยให้แน่นให้ตรงให้อยู่ในหลักตามกฎเกณฑ์ถ้าจะว่าไปก็คือยัดยึดหลักกฎหมายให้แน่นอันนี้เราให้ยึดหลักธรรมวินัยให้แน่นท้าเมื่อเรายึดหลักพระธรรมวินัยให้แน่น แล้วผู้ที่บวชเข้ามาก็ภาคภูมิใจญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็จะภาคภูมิใจพวกเราเองก็ว่าเราทำถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยแล้วการบวชของพระจะหาที่ตำหนิไม่ได้แต่เ้าตัวเองทาพวกเราทาไม่ถูกนะพวกเราตาหนิเรานะเอาไปพูดเน่นินทากาเลกันทีหลังก็ทำให้ผู้ที่บวชเข้ามานั้นเออ ผมเป็นพระจริงหรือเปล่าทําไมบวชคราวนั้นไม่ถูกตามหลักพระธรรมวินัยจุดนั้นตรงนี้ผลที่สุดเราจะไปยัดติใหม่เราก็เคยได้ยินเหล่านี้เพราะฉะนั้นอย่าให้มีเมื่อบวชพอมาเราต้องทําให้ดีที่สุดให้ถูกต้องที่สุดตามกฎกติกาตามกฎเรื่องที่พระธรรมวินัยบอกกล่าวอย่างไร อันนี้ก็ขอเตือนย้ำให้แกพวกผู้พระเก่าที่รักษาหลักพระธรรมินให้ช่วยกันดูที่ผมพูดทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือให้เข้มงวดกวดขันอย่าไปแบบทำแบบง่ายๆทำง่ายๆถักหลักธรรมหนไม่ใช่ทำของง่ายๆไม่ใช่หลักธรรมักในของผู้ใดเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อย่างที่ผมย้ำแล้วย้ำอีกนะอันนี้คือการบวชแต่ในเมื่อบวชแล้วก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบของศีลสีลาจารวัดรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตามหลักพระธรรมวินัยที่ท่านได้ตรัสได้สอนได้บอกได้กล่าวแต่ส่วนด้านจิตใจเนี่ยสคัญกว่าทีเดีเรื่องภาวนาเนี่ยสคัญอย่างยิ่ง ที่พูดมาทั้งหมดนไม่ใช่นะอันนั้นแปลว่าเปลือกเท่านั้นเองแเปลือกไม่ใช่แก่นแต่พวกเราต้องการจริงๆก็คือเรื่องภาวนาท่น้นเรื่องจิตภาวนาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งคือต้องการต้องการที่สูงสุดจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่การบวชมาในคราวนี้ในครั้งนี้ในชีวิตนี้ เพราะพรุทธเจ้าเน้นหนักบอกกล่าวแนะนำอย่างไรที่หัวใจที่พวกเรามุหวังที่เราพวกเราต้องการจริงคืออะไรอันนี้พวกเราก็ต้องให้เรียนรู้อันนี้พวกเราต้องศึกษาถ้าพวกเราได้ศึกษาพวกเราตั้งใจเรียนและพวกเราจะรู้ว่าจุดมุ่งหมายของ พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านท่านวางศาสนาไว้แปดหมื่นพระธรรม8ปดห0่นสี่พันพระธรรมมขันนั้นจุดสูงสุดที่พระพุทธเจ้ามุ่หงหวังมุ่งหมายนันคืออะไรให้พวกเราศึกษาหรือจะปฏิบัติไม่ได้ก็ให้ศึกษาเอาไว้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า จะแนะนำให้พวกเวเนยสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารจะไม่ให้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารพวกสูเจ้าต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ต้องคิดอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านให้คิดอย่างไร พระพุทธเจ้า่าเราพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเราไปอยู่ไปค้นคว้าศึกษาอยู่ที่โคลนต้นโพเป็นเวลาหกปีแต่วันสูตรสำเร็จที่เราได้ตรัสรู้ทมในวันเดือนหกเพนนนั้นเราปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ลักษณะอย่างนั้นอะเออ ท่านก็บอกว่าท่านในวันเดือนหกเพนพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินภาษาบาลีบอกพระอาทิตย์ยังไม่อัจดงอัจฉงคือไม่ตกดินยังไม่ค่ําใครเขาว่าตะวันยังพาดอยู่บนเขาอยู่อยู่ชั้นเขาอยู่ดือปลายไม้ยังไม่ตกดินยังไม่มืด ในช่วงนั้นนายโสธิยะเขาก็ไปเกี่ยวเก็บเกี่ยวหญ้าคาเขาก็เดินมาก็จ ะ, จะกลับบ้านของเขาพอได้หาคาแล้วเขก็จะเดินกลับบ้านเขาแต่วันนั้นเขาเห็นพระพุทธองค์นั่งอยู่ตามลําพังอยู่ที่โคลนต้นโพนายโสธิยะเห็นว่าที่ศิทธัตถานั่งอยู่โคลนต้นโพนั้นก็คงไม่สบายไม่สบปา ย, ยะในการนั่งเพราะ รากของโพนมันโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นที่ต้นโพก่าแก่ที่บนโพใหญ่เราก็เห็นรากมันลอยขึ้นมาข้างบนนั่งคงไม่สะดุกไม่ผาสุกในการนั่งโสติยะได้นำยาคาแปดกำมือเข้าไปถวายสิท ธ, ธัตถะสมัยนั้นพระองค์ยังไม่ได้ตัดจรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เรีว่าโพธิสัตว์สิท ธ, ธัตถะ พระองค์ก็ได <Stella> ้รับย่าคาจากนายโสธิยะแปดกำมือมาเกลี่ยลงที่โคลนต้นโพจากนั้นพระองค์ก็ขึ้นไปนั่งที่อาชนะที่ได้เกลี่ยลงกับพื้นดินนี่ฟังดูให้ดีซิพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปในที่ไหนตัดสรุปที่นั่งที่บนย่าคาไม่ได้เสือไม่ได้สัดเสือเสือดสาดหมอนนะ เพราะทันหายังไม่ไม่ได้เพระองค์อยู่ตามลําพังพระองค์จึงแนะนําว่าหยุบโคนต้นไม้ฉันยาดองด้วยน้ำหมูเต่าพระองค์สอนให้พระสลุกศิษย์ของพระพุทธองค์น่ยท่านสอนให้มักน้อยสันโดษอย่างมากๆเพราะเหตุเพราะเหตุอะไรเพราะพระองค์เคยเคยทำมาอย่างนั้นพระองค์เคยนั่ง พอเกลีย์ยากขาเสร็จแล้วก็คือไปนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วถ้าโป้อองก็อามือขวาทับมือซ้ายเหมือนพระประธานอย่างนั้นขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนี่ยพวกเราท่านทั้งหลายนาคอย่าให้ได้บอกไม่ใช่ว่าจะจับขาพวกนาคมาซ้อนกันจับมือนาคมาซ้อนกันไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ฟังเอาไว้นี่หละ หลวงพ่อสอนเลยวิธีการนั่งนั่งอย่างไรนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายอย่างนั้นกับมือขวาทับมือซ้ายแล้วก็อย่า ก, ก้มทำกายให้ตรงทำก้มแข้งหน้าปวดหลังปวดคอทำกายให้ตรงเอาไว้เมื่อทำกายให้ตรงแล้วก็เรียกร้องสติ ทั้งหลายทั้งปวงที่มันมีอยู่เข้ามาอยู่ที่ปลายจมูกท่า ใ, ให้มีสติสัมปะชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวให้กำหนดลมหายใจเข้าให้รู้ว่าหายใจเข้าให้มีสติในหายใจเข้าเวลาหายใจออกให้มีสติสัมปะชัญญะ ในหายใจออกในลมหายใจออกหายใจเข้าหายรู้หายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกไม่ให้คิดถึงอดีตที่ผ่านมาไม่ให้คิดถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงให้สติสัมปชัญญะอยู่ที่ปลายจมูกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยว น, ยวนี้อยู่ตลอดเวลา อันนี้แหละคือวิธีนั่งสมาธิจิตไม่ต้องคิดพวกโพนปล่อยวางทั้งหมดมันจะดีมันจะชั่วมันจะเร็วมันจะเป็นอะไรมันเป็นมาก่อนหน้านี้แล้วแต่บัดนี้ขณะนี้เวลานี้เราจะนั่งสมาธิเราจะปล่อยวางให้หมดเราจะไม่คิดถึงอดีตอนาคตเราจะเอา ใจของเราอยู่ในปัจจุบันที่ปลายจมูกนี้เท่านั้นนี่แหละวิธีการนั่งสมาธิในเมื่อเ ร, เราไม่ส่งจิตส่งใจไปที่อื่นหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบอุบาจารย์ท่านเคยเปรียบเทียบให้ฟังให้ให้สังเกตก็คือเหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูคนผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าคนผ่าน เข้ามาประตูเวลาคนผ่านออกไปเราก็รู้ว่าคนผ่านออกไปไม่ต้องตามคนออกไปไม่ต้องตามคนเข้ามานี้ก็เหมือนกันเราเอา ส, สติจับอยู่ที่ปลายจมกูกเวลาลมเข้ามาในท้องเราก็ไม่ต้องตามเข้ามาในท้องเวลาลมออกไปข้างนอกเราก็ไม่ต้องตามออกลมออกไปข้างนอกให้รู้แต่ว่าลมเข้าผ่านจมกูก ลมออกผ่านจมูกเนะ่ยเพียงเท่านั้นพอนี่แหละวิธีกําหนดลมหายใจเข้าออกพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มัน่นหลวงปู่เสารหลวงปู่ต่างๆท่านแนะนําท่านแนะนําอย่างนี้จากนั้นบริกรรมหายใจบริกรรมพุทธเพื่อให้บรรยาวขึ้นหน่อยถ้าเรากําหนดเฉยๆพระพุทธเจ้านะท่านกำหนดเฉยๆพพจจานะากา ห, หนดลมหายใจเข้าลมหายใจออก รู้หายใจเข้ารู้หายใจออกอันนี้คือกรรมฐานพระพุทธเจ้าแต่หลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นท่านให้กำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพทหายใจออกบริกรรมว่าโทให้มันยาวขึ้นเอาพุธโทเป็นหลักยึดลมหายใจเข้าออกนี่แหละถ้าว่าเราทายัได้อย่างนี้จิตใจของเราไม่เลผลอไผลไปทางอื่น จิตใจใจของเรามีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นใจของเราก็จะรวมสงบลงเป็นหนึ่งรวมจิตรวมเลยแอมมันไปไม่ไปที่อื่นมันก็รวมเลยเมื่อใจิตใจรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายกับใจเนี่ยมันเป็นคนละอ่านกันเนี่ยเราจะรู้ได้แล้วนะท่นี่รู้ตนเองละเห็นตนเองะรู้ตนเองะ่ะ ร่างกายกับใจในเป็นอันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเป็นโก่านกันหลวงพ่อเปรียบเทียบก็แบเหมือนกับรถกับคนขับรถใจเหมือนกับคนขับรถแต่ร่างกายเหมือนกับรถนะต้องจะมองเห็นได้ชัดเมื่อจิตรวมลงไปแล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องของลมเรื่องของคนขับรถพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ให้ความสำคัญคนขับรถมากกว่ารถท่านจึงว่ามโนปุพังเข้ามาธรมมามโนเสรษฐามโนมายามโนก็คือใจเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละอันนี้เราเท้ามาเข้ามาบวชในคราวนี้หรือพวกเราที่มาบวชอยู่ขณะ น, นี้เราที่ภาวนาอยู่เดียวนี้เรามาพิสูจน์เรื่องของใจคือนามธรรมเน่ น, นะ มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยตัวนี้แหละตัวสําคัญอย่างยิ่งในหลักของพระพุทธศาสนาในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าอในเมื่อเราเห็นใจของเราแล้วจับใจของเราให้อยู่แล้วใจของเราเน่งแล้วใจของเราไม่หิวโหวยใจของเราไม่กระตับกระส่ายใจของเรามีสติสัมปชัญญะในตัวผู้รู้นั่นแล้ว น, น, นั่นแหละทนีจากนั้นเราก็เอาธรรมะเข้าสู่จิตใจให้คิดเรื่องอะไรให้ใจของเราคิดเรื่องอะไรถ้าเมื่อจิตใจรวมสงบแล้วก็จะรู้ได้ว่านี่แหละจิตใจของเรารวมสงบจากนั้นก็นำมาพิจารณาเดินวิปัสสนาเดินวิปัสสนาคือเดินวิปัสสนึกนึกคิด พิจารณาร่างกายทีนี่ตั้งแต่ผมขนและฝันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกื่อนในกระดูกอยู่ในร่างกายของเรามีอะไรบ้างมีอสุภะปฏิกูลอะไรบ้างนี่แหละดูร่างกายของตอนเองใครเขาวัาตวดตรวจดูเครื่องรถเลยทีนี่โซเฟอร์น่ยตรวจดูรถทีนี่รถมีอะไรบ้าง เปิดฝากระโปรงขึ้นไปดูในรถมีอะไรเวลารถมันตายรถมันชรุดรถมันตายรถมันวิ่งไม่ได้รถมันเสียใจไหมรถมันไม่เสียใจเพราะมันไม่รู้ว่ามันอะไรแต่โซเฟอร์รถนี่เสียใจใช่ไหมใช่โซเฟอร์เนี่ยเสียใจจะทำยังไงรถคันนี้จะ วิงได้จะซ่อมที่ไหนจะหาอะไรมายังไงหาช่างที่ไหนมาซ่อมตัวเองพอซ่อมไรไหมเนี่ยอมันเพราะอะไรมันทําไมจึงมันจึงตายมันทําไมจึงวิกงไม่ได้นี่แหละโซเฟอร์นั่นแหละให้ความสําคัญอย่างมากนี้ก็เหมือนกันในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายมันก็รอคอยอยู่นั่นเองแต่ใจของเราเนะี่ยอช่วย แต่พอต่อมาอีกพอตัวเองหมดช่วยตัวเองไม่ได้โเฟเอร์คนอื่นรถคันอื่นเขาเข้ามาช่วยมาช่วยรถคันนี้เหมือนกับพวกเราญาติพี่น้องพาไปหามดหาหมออย่างนั้น เ, เพื่อรักษากสุขภาพร่างกายให้หายจากเจ็บไข้ได้ป่วยกเหมือนกับพวกเรา เออได้รถคันอื่นมากันลากรถคันนีนะ้เข้าไปอู่่นะไปซ่อมนี่แหละพอซ่อมแล้วก็นนะรถคันนั้นก่อนช่วยตนเองได้ก็วิ่งไปนี่แหละพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านในความสนใจเรื่องใจแต่ท่านบอกว่าถ้าว่าใจดวงนี้โซเฟอร์นั่นนะ่ะมีตลกรุมห ล, ลงมัวเมาสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่ได้สนใจเรื่องหาทุนทรัพย์หาเงินในขณะที่ขับรถคันนี้อยู่มีแต่เที่ยวมีแต่ตเตรคิดไม่เชื่ออีต่างหากว่ารถคันนี้จะไม่ตายรถคันนี้ตายไม่เป็นอถึงจะตายก็เถอะอมันก็ศูนย์ข่าไม่รู้จะไปยังไงข่าก็ต้องศูนย์เพราะไม่มีรถแล้วมันจะทำยังไงแต่ตามไม่จริงรถคันนั้นโคตรรถคันนั้นศูนย์แน่ พอลูกสูบติดมันตายหมดสภาพแล้วมันเป็นสนิมหมดแล้วมันเกลือแล้วอายุมันมากแล้วมันต้องได้ทิ้งทิ้งซากถ้าเว้นเสียแต่เขาเอาไปเผาเอาไปเผาก็คือเอาไปเปลี่ยนสภาพใหม่เอาไปหลอมใหม่เป็นหลอมเหล็กใหม่ก็ไปไม่รู้จะเป็นยังไงไปไปหลอมเสร็จแล้วไม่รู้เขาจะเอาทําเป็นรถอีกหรือไหมหรือจะไปทําอะไรก็สูดแทะแต่ ในช่างของเขาแต่ตัวเองหมดสภาพแล้วเจ้าของรถเนี่ยทิ้งให้เขาแล้วจุดแท้แต่เขาจะไปเผายัางไงตัวเองก็ต้องออกจากรถล่ะในเมื่อออกจากรถเนี่ยถ้าว่าตัวเองได้ใส่ใจหรือว่าได้คิดไปอยู่เสมอว่าเมื่อเราออกจากรถเนี่ยเรามีทุนหรือยัง เราเตรียมทุนน้ำซับที่จะรื้อซื้อรถซื้อรถคันใหม่้รื อ, อย่างทุนทรัพับของเรามีมีพร้อมล้ว อ, อย่างที่จะซื้อรถคันใหม่นี่อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านสอนแนะนำว่าตายแล้วไม่สูญ น, นะตายแล้วเกิดอีกให้พวกท่านให้เตรียมพร้อมเอาไว้ให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ ถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายได้เตรียมพร้อมสังสมบุญกุศลเมื่อรถคันนี้เสียหายหมดสภาพมันเพราะมันใช้งานมานานอายุมันเท่าแก่ชะลาเออมันจะเป็นซากเหล็กไปแล้วในเมื่อพวกท่าน <c oughs> ออกจากรถคันนี้แล้วให้เตรียมพร้อมเลยนะหาเงินใส่กระเป๋าไว้ ถ้าพวกท่านมีเงินในกระเป๋ากระเป๋าตุง้งฝากไว้ธนาคารอีกต่างหากจะซื้อรถคันไหนที่ดีกว่าคันนี้ก็ได้ดีกว่าคื อ, อยังไงเดี๋ยวนี้เราเกิดมาเป็นลูกชาวไร่ชาวนาเป็นลูกพ่อค้าหาวา น, นิชต่อไปเราอาจจะไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีในโลกนี้มีต่างเยอะแยะไม่ใช่แต่เมืองไทยของเราที่คนร่ารวยเราไปเลือกเกิดได้ เพราะเหตุใดเพราะเรามีบุญคนมีเงินเหมือนกดคนมีบุญเพราะได้ส่ะแสวงหาคุนงามความดีไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาบำเพญ็ญฌานบำเพ็ญสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกร่นแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลใจของเราไม่ได้คิดถึงอดีตอนาคตถ้าว่าผู้ที่ทำได้อย่างนี้ทันว่าออกจากชาตินี้ไปในขณะที่นั่งสมาธิ ใจของเราเนิ่งอยู่ในฌานอยู่ในสมาธิคนนั้นไปเกิดเป็นพรหมไปพรหมได้ง่ายสวยปีติสุขเอกคตาแต่ถ้าว่าอเนกสงของเรารู้จักคุณบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์วยยวุฒิคุณวุฒิบำเพ็ญกุศลสาธารณะประโยชน์ทำทานให้ทานรักษาศีลภาวนาพอเป็นพื้นฐาน ถ้าเราออกจากชาตินี้ไปแปลว่าเราได้ปอมเพ็นกุศลเราหาทุนทรัพย์เข้าสู่จิตใจก็ไปสู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งแต่ว่าต่ำกว่านั้นลงมาเราอาจจะไปเกิดมีเงินมีทุนทรัพย์แต่เราไม่ไปทัศ ว, วร์เราจะเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเราจะหาปอมเพนสั่งสมบารมีไปก่อนเราก็ไปเลือกเกิดได้เพราะเหตุเราเพราะเรามีเงินอยู่ในกระเป๋ามีบุญอยู่ในตัวเอง เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแต่ถ้าว่าพวกเราไม่เชื่อไม่ได้สนใจอะไรเลยมิธรรมความช่วยแต่ละวีแต่ละวันไอความดีไม่ได้ติดตัวเลยแม้แต่น้อยมิตรความชั่วติดตัวเองอยู่ตลอดเวลาออกจากชาตินี้แปลว่าชาตินั้นไปว่าเป็นชาติที่ล่มจมจิบหายอย่างสุดๆุดนั่นแหละท่นี่เออ หายใจเฮือกสุดท้ายนั่นแหละจึงจะรู้ได้ว่าค่าขาดทุนหรือได้กำไรค่าจะไปที่ไหนรู้ได้วันนั้นแต่ก็สายเกินไปเสียแล้วจากนั้นเราก็ออกจากร่างาไปไปเกิดเป็นสัตว์ดิบชานเป็นหมูหมากาไกา่ช้างมา้าวัวควายหมูหนวกตาบอดไปได้ทางนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่ากรรมชั่วที่เราทำไปแล้วนะมันพาไป มันเป็นเหมือนลูกกระสุนปืนดินกระสุนดินประสิวมันดันไปมันดันไปทางต่ําแต่ถ้าเราทําบุญมากระดันไปทางสูงถ้าเราทําความชั่วมกระดันไปทางต่ําไปได้ทั้งนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทใจตรงนี้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆไปได้ทั้งหมดไปตกนรกก็ได้ไปเป็นเปรตก็ได้ ไปเป็นไปเป็นสัตว์ทิรฐชฉันนาณ า, าชนิดก็ได้ไปเป็นลุขะภุมะเทวดาอินพรมก็ได้ถ้าว่าเราบาเพ็ญได้เป็นไหพรพสูสดารบันปะสักคาคารมีอนาคารมีพระรหันต์ก็ไปสู่นิพพานได้เราเลือกได้โลกนี้เราเลือกเลือกได้เราจะไปอะไร เ, เราจะไปทางดีลรวไปทางชั่วเราเลือกได้เราเกิดมา ท่ามกลางท่ามกลางผู้ที่จะไปทางต่ำจะไปทางสูงเพราะนั้นพวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้พบประธรรมคำสอนของพระพุทธทเจ้าพบธรรมคำสอนที่พระแมกุบาลจันแนะนำสั่งสอนให้พวกเราปฏิบัติ ด, ดูทำจิตใจให้สงบให้ได้ในพรรษานี้ทดลองดูจริงไหม ไม่เราไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่าไ ม, ม่ได้โกหกเพกาะลมท่านบอกให้พิสูจน์อันนี้คือสุขนะนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแ อ, อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเราจะรู้ได้ว่าร่างกายกับใจนั้นเป็นคนละอ่านกันจริงไหมเนี่ยหลักพิสูจ ขอให้สพวกเราเอาจริงเอาจั ง, เ อ, ง, นนจงอเอาทั้งวันนุ้ดซีมาให้จิตใจคิดไปทางอื่นเอาทั้งวันนั่งคืนเนี่สักสองสามวันไม่ตายหรอกคนมีสติดีเท่าไหร่ยิ่งนะั้นคนนั้นก็ยิ่งเลิศประเสริฐถ้าคนขาดสติมากเท่าไหร่คนนั้นก็คือมีแนวโน้มที่จะเป็นบ้าไปเรื่อยๆถ้าขาดสติมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นบ้าถ้าไม่เชื่อก็ทดลองที่กินเหล้าเข้าไปนี่กินมากๆเข้าไป สติมันไม่อยู่กับตัวเลยก็เป็นบ้าเลยพูดอะไรก็พูดจะทำอะไรก็ทำจะร้องให้ก็ร้องเพเห็นอะไรเพราะมันเป็นบ้ามันขาดสติถ้าคนมีสติมากๆนั่นแหละจะเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยเรานั่งสมาธิเนี่ยเราฝึกเอาสติอยู่กับตัวเองเรานึกคิดเรื่องอะไรเอาสติเข้าอยู่ตัวเองมังคับให้อยู่กับตัวเองแม่มันจะเสียหายไปที่ตรงไหน มีแต่สมบรูรณ์บริบูรณ์ด้วยมหาสติมหาปัญญาบริบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่พูดให้ฟังนี่เป็นแนวทางการบำเพ็ญสมาธินะพูดก่อนหน้านี้การเป็นอยู่การแน่แนวเรื่องศีล <c oughs> การอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องของศีล เรื่องส่วนตัวเนี่คือเรื่องนึกคิดในใจให้ดูใจก้นตัวเองอันนี้เรื่องสมาธิต่อไปกั น, เ, นเมื่อเราเห็นจิตใจของเราเป็นสมาธิถอดออกจากสมาธิเดินวิปัชนาพิจารณาร่างกายอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนั่นหละพิจารณาร่างกายในเมื่อเราพิจารณาร่างกายร่างกายสังขารเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานะ ถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เถอะทานอาหารหมดเป็นกะละมังก็เถอะอาหารติบดีขนาดไหนก็เถอะร่างกายนี่ไม่มีไม่มีจะหนุ่มไปข้างหน้าถ้าผมขาวเขาจิ่งขาวไปเรื่อยๆฟันก็หลุดไปเรื่อยหูก็ตึงไปเรื่อยหนังก็เหี่ยวไปเรื่อยผมก็ขาวไปเรื่อยมันไม่ใช่จะหนุ่มไปข้างหน้าจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะ มันมีแต่แก่ไปนาตอนนั้นจะว่าร่างกายเป็นของเราได้อย่างไรอีกสักวันหนึ่งก็ถึงจุดจบตายด้วยกันทุกคนจากนั้นก็ไปเผาไฟทิ้งว่าเป็นของเราอยู่ใชไม้ใจเฮ้ใจร่างกายเนี่ยเป็นของเราใ่ไม้ใจมันก็จะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราเนอะอีกสักวันหนึ่งนะมันจะต้องแยกจากกันกายกับใจเหมือนกับรถกับโซเฟเวอร์รถนะจะต้องแยกจากกัน วันนการพูดการแนะแนววันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธินะัที่นะีนะ